เรื่องจิตอยู่ในที่มืดมนคือจิตกําลังอยู่ในที่มืดมนก็เท่าเดียวกับเราที่เข้าป่าลูกชัดอันว้างขวางเหมือนกับไม่เคยมีไม่เคยผ่านพุ่งผ่านที่เบื้องว่างอะไรมาเลยทั้งที่เราก็เคยผ่านแต่เวลาเข้าไปลงอันลูกชัดแล้ว มันเหมือนกับเราไม่เคยผ่านพุ่งผัานนาอะไรมาเลยเหมือนกับว่าทั้งโลกนี้จะเป็นความมืดไปหมดเช่นเดียวกับป่าอันลูกทับเช่นนั้นแต่จิตนี้ไม่เคยเห็นความสว่างความเบ่งว้าง ตายในตัวเองมาก็ยังพอทำเนาเพราะไม่เคยเห็นแต่ผู้ที่เข้าป่าดงวโลกทัดไปแล้วบางท่านจะเคเห็นทุ่งเห็นนาอะไรที่ว่างๆอยู่มันก็ยังเกิดความทั้งขัญขึ้นมาเพราะเหมือนอในโลกนี้จะไม่มีที่ว่างเลยมีแต่ป่าดวงลกทัดอย่างนี้ไปหมด กิในใก็ขนาดที่อยู่ในความมืดมันอนทการมันก็เป็นลักษณะนี่เหมือนกันแต่เมื่ออยู่ได้ถึงที่วงวางโดยไม่มีอะไรมาเกี่ยวข้องเลยเพราะความผ่านพ้นไปหมดแล้วนั้นก็เหมือนกับว่าโลกนี้ไม่มีอะไรเลยเหมือนกัน ถ้าเราไม่คิดแยกไปว่าที่นั่นเป็นนัน่นที่นั่นเป็นนัน่นคิดไปในแง่สมมติต่างๆเรื่องเกี่ยวกับเรื่องสั์เรื่องบุคคลเรื่องต้นไม้ภูเขาดินฟ้าอากาศก็เหมือนกับไม่มีอะไรเลยบรรดาที่กล่าวมาเหล่านี้ถ้าจิตไม่เกี่ยวข้องมีความว่างโดยหาเหตุปัจจัยอะไรที่จะเข้าไปหนุนไปเกี่ยวข้องไม่ได้เลยดูโดยปกติของตน โรคแม้จะมีก็จะก็เหมือนไม่มีเฮลกลายถ้าหาว่าเราจะพูดว่ากลายเป็นธรรมดาก็ธรรมดาไปเลยเทีเดียวแต่เจ้าคําว่าธรรมดานี้ผู้สมมติก็จะไปอีกแง่หนึ่งแต่คําว่าธรรมดาในธรรมชาตินี้ไม่เหมือนกับธรรมดาที่เราพูดนี้เป็นปเพียงว่าข้อเทียบเทียงเล็กน้อยเท่านั้นเรื่องอะไรอะไรก็ธรรมดาธรรมดานั่นต่างเดีย เรื่องเกิดเรื่องทุกข์เรื่องลำบากเรื่องได้เรื่องเสียเรื่องประสบอารมณ์ต่างๆชอบใจไม่ชอบใจโลกธรรมำแปดอางนั้นเถอะมากระทบก็เป็นเรื่องธรรมดาธรรมดาไปหมดเพราะคลายออกหมดแล้วกับจิง่นี้ คือกินได้คลายตัวออกหมดไม่มีอะไรเหลือสิ่งเหล่านั้นแมจะมีจะได้ยินก็สับแต่ว่ารับรู้เพียงขนาดขนาดขนาดแล้วก็ดับไปในขนาดขนาดโดยหลักธรรมชาติของกิตที่ไม่ทื่อมีความพอตัวแล้วรับอะไรเข้าไปอีกไม่ได้ความสั้นเสริญซึ่งเคยชอบมาตั้งแต่ไหนแต่ะะไรก็เป็นเรื่องธรรมดาเช่นเดียวกับเรื่องความมีธา เ, เท่ากัน เพราะจิตพอไม่สามารถรับได้ทั้งฝ่ายต่ำฝ่ายสูงหรือฝ่ายชมเชยฝ่ายสรรเสริญฝ่ายสุขฝ่ายทุกข์ที่เป็นเรื่องของสมุิโดยประการทั้งปวงจิตไม่เกี่ยวข้องนะเห็นียกว่าเป็นธรรมดาไปใชีหมดมีออกจากจิตที่ว่า ถึงความเบงว้างโดยหลักธรรมชาติของตัวเองแล้วเป็นอย่างนั้นอะไรจะมาผ่านก็เหมือนไม่ผ่านแต่การที่จะพยายามดำเนินหรือก้าวเข้าไปด้วยความเพียรเพื่อจะให้ถึงที่ต่างๆสถานที่ต่างๆเอาว่าอย่างนั้นไปโดยลำหนับลำหนับตามสายทาง จนกระทั่งถึงจุดหมายปลายทางอันเป็นที่เวื้งว้างโดยหลักตรมชาตนั้นเป็นสิ่งที่ยากลาบากอยู่บ้างเป็นธรรมดาหรือว่ายากมากก็ได้แล้วแต่ใจของผู้ที่จะดาเนินนั้นมีความรักชอบมากน้อยต่างกันเป็นไรแต่ถ้าผู้มีความรักชอบมีความสนใจมากการงานที่เป็นไปเพื่อ ความบุพ้นโดยลำดับหรือเพื่อความเห็นแจ้นลำงดับนี้ก็ไม่เป็นของยากเพราะทําด้วยความพอใจทุกอาการแห่งการกระทําเรื่องที่ว่ายากยากซึ่งเคยมีในหัวใจมันก็ไม่ยากเพราะความพอใจพาภาให้ง่ายเนื้อคำว่าการเจริญของจิตพอกรุณาอย่าได้คิดคาด ในแง่ต่างๆให้ผิดจากหลักความจริงของความเจริญอันแท้จริงภาณในจิตและความเสื่อมภายในใจอันแท้จริงของจิตคือจิตมีความเปลี่ยนแปลงอยู่ในตัวเองโดยเฉพาะเฉพาะเท่านั้นไม่ได้ก้าวไปไหนไม่ได้ลงที่ไหนเป็นแต่ความเปลี่ยนแปลงแห่งอาการของจิตที่แสดงให้ตนทราบเปลี่ยนแปลงไปอย่างหนึ่งเป็นความทุกข์ขึ้นมาเปลี่ยนแปลงไปอย่างหนึ่งเป็นความสุขขึ้นมายูภายในจิตนี้เท่านั้น การเจริญกิตตภวนาแม้จะรับคำของครูอาจารย์ท่านแสดงไปในแง่ใดก็ตาม ถ, ถึงเรื่องสมาธิก็ตามปัญญาก็ตามเรายึดไว้พอเป็นคติเท่านั้นส่วนหลักธรรมชาติที่จะเป็นขึ้นภายในจิตของเราเนื่องจากการนำคติรรมคติจากท่านมาปฏิบัตินั้น ให้เป็นแปรตัดตามหลักธรรมชาติของเราเราจะเอาหลักธรรมชาติซึ่งเกิดขึ้นตามนิจลิทธิแสงเหล่านี้ไปเทียบกับที่ท่านแสดงเพราะการแสดงนั้นแสดงทำอย่างกว้างขวางสำหรับนานาจิตตังซึ่งมีจํานวนมากมายก่กองปุ่นง่ายกยาว่าจริทธิแสงคนไม่เหมือนกันเลยแล้วความรู้ความเข้าใจตลอดถึงการประพฤติปฏิบัติในแง่ความรู้ความเห็นการพิจารณานี้จะให้เหมือนกันไม่ได้ แม้จะอยู่ในวงสัจธรรมด้วยกันก็ต่างแต่อาการแห่งการพิจารณาแห่งการดําเนินนั้นจะมีผิดแปลกกันอยู่เป็นลําดับลําดาตามจดิ ม, มิสัยเมื่อเป็นเช่นนั้นอาการแห่งความสงบหรือความรู้ต่างๆที่เกิดขึ้นภายในจิตจึงมีต่างกันความสงบที่เป็นที่ยอมรับกันด้วยกันทุกคน ไม่ว่ากริดนิสัยใดก็ตามก็คือความสงบสุขของจิตที่เป็นผลเกิดขึ้นจากการปฏิบัติของตนนี่เป็นที่ยอมรับด้วยกันเราพึงคอยดูผลที่ปรากฏขึ้นจากการปฏิบัติของเราอย่างนี้คำว่าสงบนั้นมีหลายประเภทสงบตามจระดินิสยัยคือสงบลงในขณะเดียวเหมือนกับความตกเหวตกบ่ออย่างนั้นคง คืออยู่เช่นเรากำหนดภาวนาพุโทโธพุทโธอยู่แล้วก็พลิกขณะเดียวพับหายเงี่ยไปเลยนี่คือกิจพลิกขณะเดียวเท่านั้น mm hmm. เหมือนกับลังตกเหนือตกบอก่อแล้วปรากฏเป็นความรู้ขึ้นมาทีหลังเป็นขึ้นอีกแง่หนึ่งแล้วอย่างหนึ่งแนวหา ย, ยไปเลยนะครันี่เป็นสถิตนิสัยประเภทหนึ่งชนิดหนึ่งอย่างหนึ่งที่ส่วนมากเป็นกัน ที่กล่าวผ่านมานี้เรียกว่าร้อยนั้นจะมีเพียงห้ารายรู้สึกว่าจะเป็นอย่างมากเพือรในร้อยคนผู้มีความสงบเยอเือกเยน็นหรือเห็นผลในการสมาธิภาวนาส่วนเก้าคือห้านั้นจะเป็นไปในลักษณะค่อยๆสงบค่อยๆเยอเือกเย็นเข้าไปโดยลาดับลาดับนี่มีจำนวนมาก แล้วเราให้สังเกตดูจดิลิแสงเราว่าเป็นไปในเจดิตใดทเป็นไปในลักษณะใดในแง่ใดในสองแง่นี้ส่วนมากจะเป็นไปในแง่ที่สองนี้คำว่าสงบคือความสงบเย็นอยู่ภายใ น, ใ น, ในใจิตใจใจมีมีที่อยู่ใจมีความร่มเย็นเป็นจุ มีฐานแห่งความสบายอยู่ภายในจิตของตนเองทั้งๆ ท, ที่คิดอ่านไกด์กลองอะไรก็ได้ธรรมดาเหมือนโลกทั่วๆไปแต่ภายในจิตของตัวเองมีความโล่งมีความสบายมีความเบามีความสว่างตามมากตามน้อยแล้วแต่กำลังแห่งสมาธิหรือความสงบของเัก นี่ท่านก็เรียกว่าจิตสงบความคิดได้ปรุงได้อยู่นั่นแหละแต่จิตที่เป็นเจ้าของแห่งความคิดนั้นมีความสะดวกสบายอยู่ภายในตนเองเรากำหนดเข้าเมื่อไรก็ปรากฏความรู้ที่เป็นความสบายนั้นอยู่เรื่อยๆไม่ไม่หายไปนี่คือว่าจิตได้ฐานแห่งความสงบหรือเริ่มมีฐานแห่งความสงบขึ้นมา ประการหนึ่งที่เป็นหลักธรรมชาติของจิตเองเราจะปรุงแต่งไม่ได้ก็คือขนาดที่จะดับหนักจริงๆความคิดความปรุงนี่ขาด จ, จากกันหมดไม่มีอะไรเหลือเลยเหลือแต่ความรู้ล้นล้วนอยู่โดยลําพังตนเองนี่ก็ให้เป็นตามหลักธรมรมชาติของจิต ท, ที่เป็นขึ้นมาในตัวเองการคาดการหมายไม่เกิดประโยชน์อะไรจริงไม่ควรคาดการหมายให้ปล่อยไปตามจริยธรรมของตนในส่วนนี้ไม่ผิด สำคัญที่การปฏิบัติท่านสอนอย่างไรและเราเหมาะกับจดิทิงเราอย่างไรในวิธีปฏิบัติวิธีพิจรารณาหรือวิธีบริกรรมให้พึงกําหนดตามนั้นสติเป็นของสําคัญให้มีความรู้อยู่กับการภาวนานนั้จะภาวนาแบบไหนก็ตามสติเป็นสิ่งสําคัญอยู่มากซึ่งจะให้พลากจากกันไปไม่ได้จะขาดว่าขาดตอนในทางความเพียรเพื่อจะยังผลให้สืบต่อไดเน่ะ นี่คือวิถีคือพูดถึงเรื่องสติเรื่องจริตนิสัยของแต่ละบุคคลที่ไม่เหมือนกันผู้นั้นท่านเป็นอย่างนั้นหรือครูบาอาจารย์ท่านแสดงอย่างนั้นนั้นว่าผู้นั้นมีสมาธิเป็นอย่างนั้นจิตรวมอย่างนั้นจิตรู้เห็นอย่างนั้นอนี้ให้เราเพียงฟังไว้เฉยหากว่าจริตนิสัยเราเป็นไปในทางใดและเรื่องที่ท่านกล่าวนั้นเราจะจะเข้ามาสัมผัสเราเรารู้ในแง่ใดแง่ที่ท่านแสดงแล้วจะเข้ามาสัมผัสจะโผล่ขึ้นมารับกันทันทีกันที ถ้าในแสงเราไม่มีก็เป็นแต่เพียงว่าฟังไปฟังไปเราอย่าไปยึดเอานั่นมาเป็นอารมณ์จนกระทั่งเกิดความร้อนใจในเมื่อจิทของเราไม่เป็นไปตามที่เรามุ่งหวังอย่างที่ท่านสอนอันนี้ก็เป็นความผิดอันหนึ่งของเรเราต้องระ ม, มาดระวังความสงบของใจที่เป็นความถูกต้องในงามหรือเป็นที่ยอมรับกันก็คือความสงบไม่ฟุ้งซ่านวุ่นวายไปกับอะไร มีแต่ความเย็นใจถึงจะคิดเรื่องหน้าที่การงานต่างๆก็คิดไปได้ธรรมดาแต่ไม่วนใจจะของเหมือนอย่างแต่ก่อนที่ยังไม่เคยอบรมภาวนานี่ท่านเยกว่ากิจสงบ<ม>ถ้ามากกว่านั้นก็เป็นฐานตายตัวอยู่ภายในจิตใจเราจะคิดอ่านเรื่องอะไรก็คิดไปแต่พอย้อนเข้ามาสู่จุดแห่งความรู้ก็เป็นจุดแห่งความรู้ที่เด่นชัดผงใสหรือเบา นั่นหเห็นอย่างชัดเจนภายในตัวเองนี่เป็นที่ยอมรับคงนี้เรียกว่าจิตสงบเป็นที่ยอมรับกันทั่วไปถ้าจิตเป็นอย่างนี้เพราะฉะนั้นการที่เราจะประยึกต์เอาเรื่องของคนนั้นของคนนี้มาให้เป็นเรื่องของเราหรือเราพยายามจะทําจิตเราให้เป็นอย่างนั้นนี่เป็นการขับต่อจริตนิสัยของเราแล้วจะเกิดความไม่สบายใจขึ้นมา มีว่าสร้างความกังวลให้เกิดขึ้นจากตนโดยเหตุนี้ซึ่งเราไม่รู้สึกว่าเราสร้างความกังวลจึงต้องกําหนดลึกต้องพิจิตความเข้าใจไว้ในขอน้อนี้ความเจริญของจิตนั่นก็คือความสงบกูบวนนันะมีความละเอียดละออเข้าไปโดยลํำดับมีความแน่นหนามั่นคงเข้าไปโดยลํำดับนี่นี่คือความเจริญในขั้นเริ่มแรกเป็นอย่างนี้ และต่อไปก็ต้องมีความละเอียดขึ้นไปดรื่อยๆจากจิตดวงนี้เองคือจิตดงนี้จะเปลี่ยนสภาพไปเรื่อยๆจนเข้าสู่ความละเอียดแม้จะพิจารณาทางด้านปัญญาค้นคว้าอะไรมีความเฉลียวฉลาดมากน้อยเป็นไรก็ตามฐานอย่งความสงบหรือเย็นใจนี่จะค่อยปรากฏอยู่โดยลนดับเช่นนั้นหรือบางครั้งเวลาชุนมุนวุ่นวายกับหน้าที่การงานมากในทางด้านปัญญาความสงบร่มเย็นนี้จนหายไปเลยก็มี ให้ปรากฏแต่คํามหายไปเลยนี้ไม่ได้หายไปแบบที่คนไม่เคยภาวนาที่คนไม่เคยภาวนานั้นมันไม่มีเลยความสุขความสบายภนย ใ, ในใจแต่จิตนี้ที่ว่าหายจากความสงบนี้มันมีมนมแต่จิตมันมีแต่ความรู้สึกที่จมพิจารณาอย่างเดียวมีความรุนเลิงมีความดุดดื่มในการพิจารณาเพื่อถอดเพื่อถอนที่เหลือชนิดต่างๆออกจากจิตใจ ไม่ได้มีความฟุ้งเฟอเ้อเหินไปกับโลกกับโรสารอันใดเลยแม้จะให้ปรากฏเป็นความสงบแน่วแน่เหมือนอย่างที่เคยเป็นมาก็าตามเพราะความรู้อันนี้เขียนประชงังธรรมมากมายไม่ไดเกี่ยวกับโลกเลยถึงจะให้เป็นความสงบเหมือนอย่างเป็นสมาธิก็าตามแต่ก็เป็นความวุ่นกับงานเพื่อถอดถอนขีดเด็ดต่างหาน่ะถึงติดกันที่ตรงนี้ การที่จะพยายามตะเกียกตะกายเพื่อฝึกฝนอบรมจิตใจให้มีความสงบร่มเย็นเป็นที่แน่ใจตนเองมีความอบอุ่น ม, มีหลักใจเป็นเครื่องยืดเป็นที่อาศัยนี้เป็นเรื่องที่ยากลำบากอยู่บ้างแต่เราถึงิงคํหนึ่งเราพึงคิดถึงเรื่องงานต่างๆที่เราทำบางทีงานบางทีบางอั น, นขนาดหัวเสียไปก็มีเรายัางอุตส่าห์พยายามทาได้ จนผ่านไปได้ไม่รู้กี่งานมาแล้วเหตุใดงานที่เป็นไปเพื่อตัวเองโดยจะพาะนี้เราจะผืนไม่ได้เราจะทำไม่ได้เราจะผ่านไปไม่ได้ซึ่งเป็นงานเหมือนกันเป็นแต่เพียงว่างานนอกงานใหนที่แตกกันเพีงท่องนี้เราทำไมเราทำไม่ได้เราต้องทำได้เมื่อความพอใจให้เรามีหยน่หนะก็ไปได้เมื่อกิตลงใจอย่างนี้แล้วความขถอยแหวก็มันพยายามดาเนินต่อไปเรื่อย จิตเมื่อได้รับการอบรมอยู่โดยสม่ำเสมอแล้วจะแสดงความแปลกประหลาดขึ้นหรืเลื่อยๆภายในจิตความเย็นความอบอุ่นความแน่ใจจะมีกําลังมากขึ้นมากขึ้นการฟังเทศโดยเฉพาะคือเทศทางด้านกรรมฐานเกี่ยวกับกิตตภานวนาล้นลวนถ้าจิตไม่มีฐานในความสงบเป็นเครื่องรับกันเลยฟังเทศทางด้านปฏิบัติจะไม่เข้าใจ นี่เราสังเกตจะอีกของเราตอนนี้ถ้าว่าฐานในความสงบพอที่จะรับทะเทศนาของท่านที่เกี่ยวกับเรื่องจิตกัรมภาว น, นาทางด้านปฏิบัติมันไม่มีภายในใจฟังเทศท่านเ ท, านทาน่าไหร่ก็ไม่เข้าใจยิ่งท่านเทศถึงเรื่องมรรคเรื่องผลก็ยิ่งมืดแปดทิศแปดด้านนี่แสดงว่าฐานรับภายในของเรายังไม่มี พอเริ่มมีขึ้นการฟังเทศในทางภาคปฏิบัติจะเริ่มมีรสมีชาขึ้นภายในจิตใจและมีฐานของจิตคือความสงบเป็นเครื่องเยอ่อเป็นเครื่องรับกันได้ดีเท่าไหร่การฟังเทศทางด้านปฏิบัตินี้ยิ่งจะมีความซาบซึ้งไพเราะพราะทิ้งหวานอยู่ภายในจิตโดยลําดับลํำดั บ, ดบนีแม้เราจะไม่รู้ก็าตามในสิ่งที่ท่านแสดงเรายังไม่ถึงก็าตาม แต่มันก็เหมือนกับว่าเราเข้าใจคือเปิดทางให้โลกให้เห็นชัดเจนเห็นภาพนั่นภาพนี้โดยลำดับๆถ้าเราจะวาดภาพพดขึ้นมาก็เป็นอย่างนั้นยิ่งมีความดูดดึงในการฟังฟังจนลืมเนื้อลืมตัวไปหมดในขณะที่ฟังนี่คือจิตของเรามีฐานนับแล้วเทศทางด้านจิตตภานาจึงเข้ากันได้อย่างไม่มีปัญหาทีนี้เวลาเราชินต่อการฟังเทศประเภทนี้แล้ว พอจิตยอมรับแล้วเนี่ยทางเทเรอื่นๆนั้นที่เกียดฟังหนั่นเอาอยู่แล้วนะอืทางไม่ได้น้ําได้เนื้อพูดไปนอกโลกนอกสงสารไปที่ไหนความจริงจริงๆที่ปรากฏอยู่กับตัวทําไมไม่พูดเนี่ยเพราะเรื่องสัจธรรมมันหมุนอยู่ภายในจิตใจและประเทศทั้งนอกจะเป็นสัจธรรมก็จริงแต่มันอที่นอกมันห่างไกลจากปากจากท้องเราที่จะรับทานง่ายๆเนี่ยมันเป็นภายในจิตเองเ เมื่อ เ, เข้ามาสู่ภายในนี่มันเป็นเครื่องกล่อมจิตใจของเราได้อย่างสนิทสนมมากอย่างลึกซึ้งอ่อนหรือว่าเพาะพิงมากมีรดมีชาขึ้นโดยลำดับเทิดเรื่องวิถีจิตเทศเรื่องสติเทศเรื่องปัญญาเทศหมูนเข้ามาในสัจธรรมเพราะยกสัจธรรมขึ้นเป็นสนามหรือเป็นธรมาท หรือเป็นธรรมเทศนาว่าได้ทั้งนั้นแหละก็เข้ากันกับจิตทังเราได้ดีเพราะจิตเต็มไปด้วยสัจธรรมทุกข์ก็เสียดแทงเข้ามาที่จิตสมุทัยก็เกิดขึ้นที่จิตเสียดแทงที่จิตมรรคก็ผิดขึ้นมาที่จิตคือสติปัญญาผิดขึ้นจากไหนถ้าไม่ผิกจากจิตก็ผิดขึ้นจากที่นี่เมื่อมีอํานาจมีกําลังมากเพียงไรก็ระงับดับ ที่เลตตันหาดับทุกประโดยลําดับดับก็ดับในที่นี่ที่นี่นั่นนะที่ว่านี้โรดนิโรชนะัจธรรมมีความเกี่ยวเนื่องกันอย่างนี้อยู่ภายในจิตของเราหมุนอยู่ตลอดเวลาเหมือนธรรมจักถ้าเราจะพิจารณาให้เป็นธรรมนิจธรรมนี่ก็เหมือนธรรมจักถ้าเราจิตเราคิดแบบโลกแบบงสงศารซึ่งไมาเคยภาวนาเลยมันก็เป็นโคงจักผันเพราใจของเราให้รุ่มร้อนอยู่ตลอดเวลาวุ่นไปหมดจนหาที่ปวดที่เปื้องไม่ได้นั่งก็ไม่สบายนอนก็ไม่สบาย ปัาบททั้งสี่มีแต่ไฟเผาจิตเผาใจไฟที่เด็ดตัญหาสะวะัสนั่นแหละไม่ใช่ไฟอะไรที่จะร้อนยิ่งกว่าไฟอันนี้ถาตจิตของเราเป็นอัดเป็นธรรมพินิพิญนาเพื่อถอดเพื่อถอ น, อถอ น, อถอนด้วยมากขกปฏิบัติอยู่แล้วเรื่องสัจธรรมทั้งสี่นี้ก็เป็นธรรมจักรเป็นเครื่องซักฟอกสติ ป, ปัญญาของเราได้เป็นอย่างดีทุกเกิดขึ้นที่ตรงไหนจะสอดถึงะจะสะเทือนถึงปัญญา น, นามพิจารณา ทุกเราเคยทราบอยู่แล้วว่าทุกคืออะไรเป็นสิ่งที่เราไม่ต้องการเป็นสิ่งที่ทรมานจิตใจของสามโลกอย่างมากมายแล้วทุกนี้เกิดขึ้นมาจากอะไรหลัก ย, ย้อนเองเรื่องสติปัญญามีการค้นคว้าอย่างนี้การคิดอย่างนี้เป็นเรื่องของมรรคพิจารณาเหตุพิจารณาผลลงโดยลํำดับอาวจพ่ออย่างยิ่งเราเอาขันห้าเป็นสนามรบ รบที่ไหนก็ไม่ถนัดเหมือนรบในขันห้าเพราะขันห้านี้เป็นเจ้าตัวการสาคัญที่เป็นค่าสึกต่อจิตใจการพิจารณาขันห้าจึงเหมือนกับว่าการรบขันห้าการรบขันห้าคือเป็นการจะปลดเปลื้องค่าสึกหรือถือเอาชัยชนะขึ้นมาได้จากการรู้เท่าทันของขันห้านี้โดยไม่ต้องสงสัยพระพุทธเจ้าท่านลบค่าศึก ก็ยินภายในขันห้าสาวกท่านก็ได้ชาชนะภายในขันห้าไม่ได้ชนะจากที่อื่นใดเพราะแพ้ก็แพ้เพราะอันนี้เองหลงก็หลงเพราะสิด้วยสิ่งนี้ไม่หลงจากสิ่งอื่นหลงเพราะสิ่งนี้จริงๆจริงการพิจารณาจริงงงมาพิจารณาจุดที่หลงเพื่อให้เกิดความรู้ขึ้นมาในจุดที่เคยหลงเมื่อรู้ได้สิ่งในเข้าไปโดยลําดับแล้วย่อมแยกก่ อ, อกได้โดยลําดับลำหน่อยเพราะนั้นขันทั้งห้านี้ จึงเป็นหินนับปัญญาได้ทั้งนั้นถ้าผู้พิจารณาเพื่ออัดเพื่อทำไม่เพื่อเห็นแก่ตัวคําว่าเพื่อเห็นแก่ตัวมันเป็นเรื่องของกิเลสกลัวตายบ้างกลัวอะไรบ้างกลัวไปหมดทุกสิ่งทุกอย่างเห็นทุกเกิดขึ้นมากกว่กลัวจะสู้ไม่ไหวเนี่ยความกลัวจะสู้ไม่ไหวนี่ก็คือเรื่องของกิเลสนอย่าไปกลัวสร้างขึ้นมาทําไมความกลัวความกลัวนั้นเป็นตัวภัยสร้างขึ้นมาเล็กมาน้อยก็เสียแทนจิตใ จ, จให้เกิดความทุกข์มากน้อยตามที่เราสร้างขึ้นมา ความจริงมีให้นําเอามาใช้ใออืความจริงคืออะไรให้รู้ความจริงของสัจธรรมหรือของขันห้าที่มีอยู่ในตัวของเราผู้ไม่รู้ความจริงในขันห้าที่มีกับตัวนี้ไม่จัดว่าเป็นผู้ฉลาดและหาทางพ้นภัยไปไม่ได้จะต้องถูกอสิ่งที่เราถือว่าเป็นฆ่าศึกสิ่งที่เรากลัวนี่แหละย่ำยีเราให้รับความแพ้อยู่ตลอดเวลายิ่งเป็นวาระสุดท้ายด้วยแล้ว เรายิ่งจะกลัวตายมากกลัวเจ็บกลัวปวดคงนั่นคงนี้มากนั่นแหละคือการสร้างเชี่ยนหนามขึ้นมาเสียแทงจิตใจคนตนเองให้เกิดความท้อแท้เออดีไม่ดีเถอะตัวไปได้เพราะผิดจากหลักสัจธรรมผิดจากหลักความจริงปัญญามีอยู่สติมีอยู่นำมาใชา้สติปัญญาเท่านั้นที่จะทําทให้รู้แจ้งเห็นจริ ง, รงกับสิ่งที่เป็นข้าสึกนี้จนกลายเป็นมิตรเป็นสหายกันหน้าคือต่างอันต่างจริงน่ะจิตไม่เคยตาย เราไม่ต้องวิตกวิจารณ์เราไม่ต้องชะทกสะทานว่าจิตจะตายอะไรจะเกิดก็เกิดเถอะจิตเป็นผู้สามารถที่จะรับทราบรับรู้ได้ทุกสิ่งทุกอย่างบรรดาที่เกี่ยวข้องกับจิตไม่มีอะไรที่จะแหลมคมยิ่งกว่าจิตที่คอยรับรู้อยู่ตลอดเวลา mm. อ้าวทุกเวทนาเกิดขึ้นมากเพียงไรจิตก็รู้ว่าทุกวทาทิศทุกนาทุกเวทนาเกิดขึ้นมากเอาดับไปก็ดับไปทุก็จิตไม่ดับนั่นจะเกิดขึ้นมากน้อยให้เห็นตามความจริงของมัน เราอย่าลืมตัวว่าจิตเป็นผู้รู้นี่เป็นนักรู้แท้ๆไม่ใช่นักหลบหลบความรู้จนกลายเป็นไม่รู้ขึ้นมานั่นเป็นเรื่องอภิชาติเราอย่านํามาใช้ให้รู้เกิดขึ้นมากน้อยให้รู้ตามความจริงของมันที่คือพิจนาทุกขเวทนาแล้วก็ทราบทุกก็ทราบว่าทุกผูทก้ทราบว่าทุกนั่นคือจิต ความทุกข์นั้นเป็นสภาพอันหนึ่งผู้ทราบวัตทุกนั้นเป็นสภาพอันหนึ่ ง, นนงไม่ใช่อันเดียวกันโดยหลักความจริงแล้วเป็นอย่างนี้ <_ S 1> ให้เราพิจารณาให้เห็นความจริงของทุกข์อันนี้เราจะเห็นความจริงของจิตได้อย่างเต็มเม็ดเต็มหน่วยถ้ายังถือว่าทุกขเวทนาเป็นค่าศึกต่อตอนอยู่ตามใดตอนอาจจะหาทางเข้าใจว่าหาทางหลบหนีความจริงหาทางแพ้นั่นเองโดยไม่รู้สึกตัวเอาเกิดขึ้นอะไรให้รู้จิตมีหน้าที่ที่จะรู้ อปัญญาช่วยเข้าไปค้นดูให้เห็นชัดเจนว่ามันเกิดขึ้นที่จุกไหนทุกอันนี้เกิดขึ้นทางกายอันหนึ่งทางกายเกิดขึ้นในอาการใดเกิดขึ้นทางจิตเกิดขึ้นทางจิตเพราะเหตุใดจึงเกิดขึ้นได้ทางจิตถ้าไม่ใช่สมุทัยเป็นเครื่องเสริมขึ้นมาหรือเป็นเครื่องถือขึ้นมาสมุทัยก็คือความลุู้ของตนเองความอยากของตนเองนั่นเองมันสร้างขึ้นมาอยากให้ทุกดับความอยากให้ทุกดับนี่แหละคือสมุทัยโดยพิจารณาถึงเรื่องทุกข์นี้จะอยากให้ดับนั่นแหละคือการสร้างสมุทัยโดยตรง เราไม่ต้องอยากพิจารณาตามสิ่งที่มีอยู่ที่ปรากฏอยู่สิ่งที่มันมีอยากไปค้นหามามันเป็นทุกข์มันเป็นการสร้างกิเลสขึ้นภายในเวลานี้ทุกข์ยังยังไม่ดับไปอย่าอยากให้มันดับมันปรากฏขึ้นมาให้พิจารณาตามสิ่งที่มันปรากฏมันยังไม่เกิดขึ้นอยากให้มันเกิดขึ้นไม่อยากให้เกิดขึ้นมาเพราะมันเป็นความจริงอันหนึ่งอันหนึ่งขณะที่มันเกิดขึ้นก็ดีมันไม่เกิดก็ดีมันตั้งอยู่ก็ดีมันดับไปก็ดีผู้รู้เป็นรู้ อย่าไปตั้งความอยากขึ้นเนมันรู้ชัดเจนอย่างนี้ชื่อว่าเป็นผู้รอบครอบในการพิจารณาเอาตายก็ตายเถอะไม่มีอะไรตายพี่นะให้เห็นชัดเจนอย่างนี้มันจะสลายก็ให้สลายไปเพราะเรื่องสลายเป็นเป็นของคู่กันกับสิ่งที่ผสมกับสิ่งที่รวมตัวเมื่อรวมตัวแล้วต้องสลายถึงการแล้วจะสลายไปด้วยกันทั้งนั้นไม่ว่าอะไรในโลกนี้ว่าไม่สลายไม่มีแม้แต่ภูเขาทั้งลูกมันยังสลายได้ ทำไมร่างกายเพียงเร า, เราท่านๆนี้จะสลายไปไม่ได้ผินธรรมดามันไปไ ป, ไปทําไมเกิดประโยชน์อะไรนะการให้ผืวธรรมดาให้รู้ตามควาำยิงธรรมดานี่แหลคือทางทำทางโลง่งทางปลปล่อยให้มีอะไรเข้ามาเกี่ยวข้องได้เลยปัญญารอบตัวหาว่าจะตายในขณะที่เวทนากําลังต้าก็รู้ก็อยู่กับเวทนาเป็นการรับจิตด้วยปัญญาโดยถือเวทนาเป็นหญิงรับ ได้อย่างประจักบพาิจอืตทุกดับไปจิตจะไปเกาะอะไรถ้าจิตเป็นผู้พิจารณาทุกอยู่แล้วจิตจะไปตกทุกได้ยากที่ไหนทุกเวทนาเราก็ทราบแล้วว่าเป็นสภาพอันหนึ่งเราพิจารณาทุกเวทนานั้นด้วยปัญญาของเราเวลาทุกเวทนาดับไปแล้วเราจะไปตกนรกอเวจีที่ไหนมันดับไปก็ดับไปตามเรื่องของความดับของเวทนาผู้ไม่ดับก็คือจิตแน่ก็อยู่ตามความไม่ดับของจิตอยู่ตามความรู้ของจิตจิตก็เป็นจิตนั้นไปตามหาเวทนาทำไม น, นี่การพิจารณาให้เห็นชัดเจนอย่างนี้นี่ท่านพิจารณาขันท่านพิจารณาอย่างนี้ไม่ต้องกลัวพระพุทธเจ้าไม่ได้สอนให้กลัวแต่สอนให้รู้ความจริงสอนให้พิจารณาความจริงนี่เป็นจุดหมายที่พระพุทธเจ้าทรงสอนเรื่องความกลัวพระองค์ไม่สอนเป็นเรื่องของกิเลสต่างหากทั้งหมดกลัวไปเกิดประโยชน์อะไรความกลัวไม่ใช่ไม่ใช่เรื่องที่ให้เกิดประโยชน์ เป็นเรื่องสั่งสมที่ใหญดขึ้นมาให้เกิดความทุกข์มากขึ้นเพราะความกลัวกลัวมากอะไรเกิดความทุกข์มากเท่านันา้นพิจารณาเห็นาาพระจักรพรรดิ์จิตอยู่ตลอดเวลาในขณะที่ทุกเวิทนาเกิดขึ้นโดยไม่ต้องหวังพึ่งใครทั้งหมดในเวลานั้น <information> <S <S เราอย่าหวังพึ่งใครพึ่งไม่ได้เท้งนั้นไม่ใช่ที่พึ่ง <S 2> <S 2> นอกจากสติปัญญาเท่า น, นั้นที่จะเป็นที่พึ่งของเราตึกราม บ, บ้านช่องใครต่อใครก็ตามทุกสิ่งทุกอย่างพึ่งไม่ได้ขันห้าก็พึ่งไม่ได้ มันจะแต่อยู่เวลานี้จะพึ่งมันที่ไหนแล้วเราจะพึ่งใครสติปัญญาเท่านั้นเป็นอาวุธที่ทันสมัยที่จะแก้หรือช่วยเราในขณะนั้นค้นลงไปพิจารณาลงไปทุกเป็นของเกิดของดับใจเป็นของไม่ไม่เกิดไม่ดับเป็นธรรมชาติของใจโดยธรรมชาติของตนนี่ยพิจารณาให้ชัดเจนแล้วจิตจะแยกตัวออกมาเองเมื่อเข้าใจชัดเจนแล้วไม่ไปไหนไม่ไปติดอะไรเพราะปัญญาเป็นเครื่องขักดันสิ่งที่จอมปอมทั้งหลายนั้น ออกคือโดยลำดับลำดับให้เราเข้าใจอย่างนี้เราก็โล่งล้วก็สบายนี่ละเรียกว่าพึ่งตนเองให้เราคิดถึงวาระสุดท้ายวาระสำคัญที่สุดคืออะไรคือเวทคือเวทนาอันสาหันั่นแหละจะสาหัสขนาดไหนเวทนานี้ไม่เลยตายมีถึงแค่ตายเท่านั้นสติปัญญาเป็นผู้สามารถตลอดสาย เมตนาจะมาจากทิศใดแดนใดมันก็อยู่ในขันนี่เท่านั้นเวทนาขันเน่มันก็ชื่อขันนี่เท่านั้นมันไม่ได้นอกเหนือามาหมุนลอยมาบนเมฆคือจะมาทับเราได้ที่ไหนมันทับอยู่ภายในตัวของเรานี่ถ้าเราไม่มีสติปัญญาทันถ้ามีสติปัญญาทันไม่ทับฮีมากมีน้อยเท่าไหร่ก็จะทราบมันอย่างชัดเจนทีเดียวะด้วยปัญญานี่เท่านั้นนี่แหละปัญญานี่แหละเป็นเครื่องช่วยตัวเอง ความภาเปลี่ยนต้งเราอย่าถอยถอยไปไม่ได้ว่างั้นเลยกว่าเราจะสู้เราจะถอยไปไหนเราจะเอาชชนะด้วยความสู้เราไม่ได้เอาชชนะด้วยความถอยเอาชนะด้วยความสู้สู้ด้วยสติสู้ด้วยปัญญาไม่ใช่สู้ด้วยความโง่หะจิตเราเป็นที่ยอมรับหรือเป็นรับเป็เครื่องรับรองอยู่แล้วว่าไม่ตายเราจะกลัวตายหาอะไรฮะเงามันก็ไม่มีเราไปกลัวมันอะไร ถ้าตัวมันตายเงามันก็ตายนี่ตัวมันก็ไม่ตายคือจิตแล้วเงามันจะตายได้ที่ไหนเงามันจะมีที่ไหนเงาแห่งความตายไม่มีเนี่ยแล้วเราตื่นเราตกใจเรากลัวไปเฉยกลัวลมๆแรงๆไม่มีกระทั่งเงาให้กลัวแต่เราก็กลัวไปได้เพราะความหลงของจิตนั่นเองเพราะจึงสร้างปัญญาขึ้นให้ทันกับเหตุการณ์ฝ่าจิตเป็นที่แน่ใจว่าไม่ตายเนี่ยที่นันเห็นทัดเอาเอะไรจะเกิดก็เกิดขึ้นเธอจิตมีหน้าที่ที่จะรู้ได้ทั้งหมดเนี่ย จระทั่งวาระสุดท้ายเครื่องมือนี้แตกไปปัญญาก็สลายไปด้วยกันหิตที่ได้รับการชักว้ามาจากปัญญาแล้วจะไม่สลายจะมีแต่ความปร่งใสเป็นอย่างน้อยมีความปร่งใสประจำตัวมากกว่านั้นผ่านพ้นไปเลยเอากันวาระสุดท้ายเอาเอชนะอย่างสุดยอดในวาระสุดท้ายได้เราไม่ต้องไปคาดโน่นคาดนี่ว่าเป็นหญิงเป็นชาย ว่าเราปฏิบ er, ัติมาเท่าน so ั้นปีเท่านี้เดือนไม่มากไม่น้อยไม่ใช่เวลาเวลาที่จะมาแก้กิเลสปัญหาความเพียรเท่านั้นเป็นเครื่องแก่สติปัญญาเท่านั้นเป็นเครื่องแก่เมื่อสติปัญญาพอเมื่อไหรแล้วเป็นแก้ได้เท่านั้นพ้นไปได้เท่านั้นนี่เป็นจุดสาคัญไม่ใช่เวลาเวลาไม่ใช่เพศหญิงเพศชายไม่ใช่อะไรทั้งหมดที่จะมาแก้กิเลสได้นอกจากสติปัญญาศรัทธาความเพียรเหล่านี้เท่านั้นเป็นเครื่องแก้กิเลส เราแก้ได้ที่จุดนี้ที่เด็ดหมดขนาดใดเป็นผู้สิ้นได้ขนาดนั้นเวลานั้นเนี่ยแล้วการสิ้นก็สิ้นได้ด้วยความเพียรด้วยสติปัญญาไม่ได้สิ้นด้วยด้วยนานด้วยช้าอะไรพิจารณาตรงนี้นี่นแดนแห่งาการชนะอยู่ที่จุดนี้เราแพ้เราก็จะแพ้ที่นี่คำว่าแพ้ยางให้มีอีกนี่แพ้อะไร รู้ อ, อยู่ตนอ้เวลาสติปัญญาไม่ใช่เป็นของแพ้เป็นของเพื่อชนะทั้งนั้นเราเอากิเลสเข้ามาแทรกให้เป็นความแพ้ความแพ้คือกิริยของกิเลยอย่าเาเข้ามาแตบกับตัวมันจะละทำให้เราถอยหลังเป็นกับตาเ็าสู้นจนถึงขีดชื่อว่านักกบขึ้นเวทีแล้วไม่ถอยเอาเอาจริงๆจนไม่มีสติเขาให้หามลงเปไป ถ้ามีสติมันเอาฟ้ามันลงไปตีไม่ได้ดามไปกูสู้ ก, สกูสู้เลยปากก็ได้กูตีไม่ได้กูสู้เลยปากเอาไม้แคทแมนไปนักสู้มันต้องเป็นอย่างนั้นนี้เรียว่าไงเเดียวไม่ถอยนี่เมื่อต่อยเขาไม่ได้ก็เอาปากต่อยเลยว่านั่นนีแล้วเทียบเป็นเรื่องนักโรบคือไม่ถอยอฮมสู้มันนั่งคัมสู้จนตายสู้เพื่อเรา นะฮะไม่สู้เพื่อขใครจิต ม, มันได้เข้าใจจริงๆแล้วในทีนี้จนเข้ามาอีกในข้อความที่เทือดเป็นต้นนะมันธรรมดาเนี่ยฟังเลยเมื่อมาเข้าใจทุกสิ่งทุกอย่างแล้วมันธรรมดาทั้งหมดเป็นอยู่ก็ธรรมนามันเจ็บไข้ได้ป่วยที่ไหนก็ธรรมดาคือจิตอันนั้นมันไม่ได้ไปเป็นภาระพลังให้เกิดความยุ่งเหยิงวุ่นวายกลายเป็นโรคขึ้นภาระใจอีกเลย ถึงวาระจะตายจะไปแล้วเหลือเนี่ยไปก็เรื่องสมมติไปต่างหากนี่มันไปที่ไหนมันก็ไปตามหลักความจริงของมันเนี่ยมันไปไหนมันก็ลงประสบความจริงของมันเนี่ยอะไรคิดหายอะไรล่มจมผู้รู้ก็รู้อยู่งี้พ่านเาจนนี้แล้วจะไปล่มจมที่ไหนผู้รู้เนี่ยเราสร้างมาเพื่อความรู้ความฉลาดความรู้ควฉลาดจะพาคนล่มจมมีอย่างเหลือมันประจักษ์อยู่ภายในจิตเรียกว่าไม่มีปัญหาไม่มีอะไรเลย ธรรมดาธรรมดาทัหมดเมื่อถึงท่านธรรมดาธรรมชาติแล้ว เ, เป็นอย่า ง, งา น, นั้นีการปฏิบัติท่ารปฏิบัติอย่างนี้เอาละการแสดงกาในชิ้นสุด